บทภาชณี вами, ติกาปาจิตตีสามร้อยจีวรยังไม่ได้ปัจจุทธรภิกษุสําคัญว่ายังไม่ได้ปัจจุทถอใช้สอยต้องอบัตปาจิตตีจีวรยังไม่ได้ปัะจุดธรภิกษุไม่แน่ใจใช้สอยต้องอบัตปาจิตตีจีวรยังไม่ได้ปัจจุทธรภิกษุสําคัญว่าปัจจุทถอแล้วใช้สอยต้องอบัตปาจิตตีติกาทุกกฎภิกษุอธิษฐานหรือสละต้องอบัตทุกกฎ จีวรปัะจทอนแล้วภิสูุสําคัญว่ายังไม่ได้ปัจจุดถอนต้องอาบัติทุกกฏจีวรปัจจุดถอนแล้วภิสูจไม่แน่ใจต้องอาบัตทุกกฏจีวัรปัะ จ, จุดถอนแล้วภิสูจน์สคัญว่าปัจจุดถอนแล้วไม่เป็นอาบัติ